ถ้าทำได้อย่างที่ว่าเนี่ยคือยอดบุรุษคนที่ทำกิเดเสร็จแล้วโออันนี้สาธยายนี่ต้องคล่องก่อนนะถ้าไม่คล่องนี่ตึกอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้โซนนี้กล่าวแต่โดยสรุปอย่างนี้นะเพราะว่าถ้ากล่าวอย่างอื่นก็ฟังมาตั้ง ก็เคยมีเขาคนวิจารณ์บอกว่าท่านก็พูดซ้ำๆๆเนี่ยนั่นแห ล, งละงั้นขึ้นอย่างนี้ต้องจบอย่างนี้นะนมีคนบอกโอ้รู้ละาาไหนสัตตถนาสูตรเลยไหนห<อ>น้าไหน ไม่ใช่ น, นี้พูดขันห้าอยู่ไม่ใช่พูดภาษะปัญจกะถ้าภาษาปัญจกะก็ภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตอั น, น, นคืออันนั้นอันนั้นถ้าถ้าจะกล่าวแบบอภิธรรมมัในถ้าจะพูดแบบจิตตุบาทนะคือภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตนี้เรียกภาษาปัญจกะวิตกวิจารณ์ ปีเตสุกเอกะขะตานี้โดยฌานสัตทินรีวิรยินรีเป็นต้นนั้นจะกล่าวโดยอินรีท่านใยนั้นจะแสดงแบบจิตตุปาทเนี่ยนะเป็นช่องทางที่จะพิจารณาแบบจิตตุบาทแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาแบบพระสูตรเนี่ยนะแต่ก็คือก็รู้สิ่งเดียวกันนะ่ะนะอ่สิ่งเดียวกันแต่ว่าวิธีการพิจารณาแตกต่างกันเท่านั้นเองเนี่ยนะ ของผู้ใดสนใจตรงไหนเพิ่มเติมไหมในสัตตถานสูตรเนี่เพราะว่าสูตรนี้ตรงๆแล้วเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้ายกย่องพระอรหันเนี่ยนะโดยโดยเนื้อหาของสัตตถานสูตร บอกว่าแต่พระสูตรนี้พึงทราบว่าประกอบด้วยความเพลิดเพลินมากและเป็นที่ตั้งแห่งความยั่วยวนเหมือนพระราชาชนะสงครามแล้วสถาปนาเหล่าทหารที่ชนะสงครามไว้ในตาแหน่งสูงแล้วพระราชทานสักการะแกะทหารเหล่านั้นถามว่าเพราะเหตุไรเพราะพวกคนที่เหลือเห็นสักการะของทหารเหล่านั้นจักสำคัญเพื่อความเป็นคนกล้าบ้างฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีตลอดการหาประมาณไม่ได้ทรงชนะกิเลสมาณนณะมหาโพธิมณฑลทรงบรรลุพระสัพพัญญุตยานประทับนั่งณพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีเมื่อจะแสดงพระสูตรนี้จึงยกพระขีนาศบขึ้นมาชมเชยเพราะเหไรเพราะเสขขบุคคลที่เหลือจักสำคัญพระอรหัตตผลว่าควรบรรลุด้วยประการชนี พระสูตรนี้เพิ่งทราบว่าประกอบด้วยความเพลิดเพลินมากเพราะพระองค์ทรงยกย่องพระขีนาศบขึ้นสรรเสริญเพิ่งทราบว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยุวายวนเพราะพระเสขาทั้งหลายก็อยากได้นะพระเสขาก็อยากให้พระพุทธเจ้าชมบ้างะนะอยากจะเป็นยอดบุรุษกระเข้ามัาง่งนะถ้ากล่าวตามสูตรนะว่าตั้งแต่รูป ความเกิดของรูปความดับรูปปฏิปทาให้ถึงความดับรูปอาสาธะของรูปอาทีนวะของรูปนิสรณะของรูป<อ>แล้วก็ขยายละเอียดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะตรงนี้ถือว่าจบด้วยมรรคผลนะนะถ้าถ้ารู้ถนาดนั้นเนี่ยถือว่ารู้มรรคผลแนละ้ว <c oughs> ในสูตรนี้แสดงอริยสัจขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกนะถ้าจะพิจารณาใหดีเนี่ย องค์จะแสดงอริยสัจขึ้นมาเป็นอันดับแรกก่อนเดี๋ยวบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นพูด <c oughs> พูดวิปัสนาภูมิขันอายตนะธาตุปฏิจจะแล้วทำไมอริยสัจไม่แสดงจริงๆแล้วขึ้นต้นด้วยอริยสัจเห็นเพราะคำว่ารูปก็ต้องต่อด้วยเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นี้เป็นทุกขสัจความเกิดของรูปเป็น สมุทัยสัวสมุทัยสัตวจะความดับของรูปเป็นนิโรธสัตจะส่วนปฏิปทาให้ถึงความดับรูปเป็นมัคสัตจะเพราะฉะนั้นสัตวจะสีนี้แสดงขึ้นแล้วนะคือแสดงสัตวจะสีในขัน5เสร็จแล้วถ้าผู้ที่พิจารณาอาจจะพิจารณาสัตว์จะสีในอายตนะ12ก็ได้ หรือพิจารณาสัจจะสี่ในธาตุสบปดก็ได้หรือพิจารณาสัจจะสี่ในปฏิจจ ส, สมุปบาทสิบสองก็ได้น่ะพระพุทธเจ้าให้ในเอาไว้ใช่ไหมว่าเพ่งพินิษ์โดยวิธีสามประการคือโดยอายตนะโดยธาตุและปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะผู้การไปพิจารณาสูตรนี้ว่ายังไงบ้าง ในในสมุทรไทยสัตว์ได้แล้วก็อาทินาวานี่กหล่านี้ทุกขสัตว์ได้ตัวรูปอยู่แล้วตัวขันห้าเป็นทุกขสัตว์อยู่แล้วนี่ระดับระดับขึ้นไปซิงซิงเดียวกันนะ่ะ น, นะเพียงแต่ว่าอัธยาสายของสัตว์เนี่ยเป็นเป็นเป็นกำหนดให้เทสนาวิราชขึ้น หมายว่าผู้ฟังนั้นถ้าเขาจะเข้าใจเพิ่มเพราะบัญญัติสท์เพิ่มอีกสามคำเนี่ยนะในสิ่งเดิมนั่นแหละถ้าเขาจะเข้าใจเพิ่มพระองค์ก็จะใช้สร์เพิ่ม น, น, นั้กาาานก็พระพุทธเจ้าแสดงหมดทุกวิธีไนะทงางพระ วังคีสะยกย่องพระพุทธเจ้าว่าพระองค์แสดงทั้งโดยย่อและโดยพิสดารเนี่ยนะทั้งสังเขปและพิสดารเนี่ยแสดงหมดเลยไม่ไม่มีเหลือพันกิจของาศาสดานี้พระองค์ทำไว้อย่างบริบูรณ์จริงๆง ถ, งถ้าจะพิจารณารูปนะเช่นถ้าจะพิจารณาขันห้า ถ้าพิจารณาแล้วไม่เห็นโทษมันจะเป็นไปได้ไหมก็เป็นไม่ได้สมุทัยศาสตร์เนี่ยพิจารณาเพื่อจะละเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นว่ามันละมันง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีความเยื่อใยสูงมากเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะละง่ายๆไอ้ความเยื่อใยอันนั้นแหละเรียกว่าอาสาทะเนี่ยนะหรือสิ่งเหล่านี้มันก่อให้เกิดสุขโสมนัตอย่างอย่างมากเนี่ยนะส่วนนิโรธ ก็คือนิสรณะนะเพราะว่าเป็นที่สลัดออกเป็นที่ถ่ายถอนธรรมะเหล่านี้ด้วยข้อปฏิบัติคืออริยมรรคถ้าใครที่จะไปฝึกษาทยายในชะั้นแรกๆให้ก็ทวนก่อนนะว่าเอาคัน5คูณ7นั่นนะคูณแบบฟอร์ม7ที่กล่าวขึ้นนะอายตนะ12คูณ7ถ้า18คูณ7 ปฏิจจสมุปบาท12เนี่ยคูณฐานะเจที่จริงไอฐานะเจนั่นะคือการพิจารณาอริยสัจแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเอาขันอายตนะปฏิจจนี้ไปคร้ควรวนตามแนวอริยสัจเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวที่เป็นอริยสัจเนี่ยก็จะขึ้นอย่างนี้นี่ทุกสมุทัยนี่โรธมากนนะแล้วก็ตัวที่เพิ่มเติมพิเศษอีกก็ขยายคาว่าทุกเนี่ยขยายเป็นขันบ้างเป็น อายตนะบ้างเป็นธาตุบ้างหรือจะแสดงแบบปฏิจจสมุปาตบ้างนั่นเองนี่ก็ข้อความในสัตตฐานสูตรก็ผ่านไปนะมาขึ้นสูตรอื่ น, นีว่าในพุทธสูตรกรุงสาวัตถี หน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นรูปเนี่ยนะเพราะไม่ถือมั่นเวทนาเพราะไม่ถือมั่นสัญญาเพราะไม่ถือมั่นสังขารเพราะไม่ถือมั่นวิญญาณเทวดาและมนุษย์ต่างพากันเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะ ก็อันนี้ยกธรรมมาระดับสูงขึ้นมาเลยนะบอกว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะมีนิพพทาคือวิปัสนาในขันท่าเนี่ยนะคลายกำหนัดคือมักดับคือผลแบนั้นนะ่ยหรือเพราะไม่ถือมั่นเส่นขันท่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะพระองค์นี้เป็นผู้ที่สรุปว่าทำปริญญาในขันท่าเบ็ดเสร็จหมด นะตรัสรูุเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลนิพพานเขาเรียกพระองค์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแม้ภิกษุผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเราเรียกว่าผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาหรือที่ปัญญาวิมุตต์นะนะปัญญาวิมุตต์ดูก่อนพิสูุทั้งหลายในข้อนั้นจะมีอะไร เป็นข้อแปลกกันจะมีอะไรเป็นข้อประสงค์ที่ยิ่งกว่ากันจะมีอะไรเป็นเหตุทำให้ต่างกันระหว่างพระตถาคตอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพิสุผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญา น, นะนั่งคำถามว่าพระพุทธเจ้ากษัตริยกต่างกันยังไงเนี่ยนะทั้งทั้งที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่ยึดถือคือไม่มีอุปาทานในขันห้าเหมือนกันหมดต่างกันตรงไหน พิสษจทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นรากฐานเป็นแบบฉบับเป็นที่อิงอาศัยขอประทานพระวโรกาสขออัถะแห่งภาสิดนี้จงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าทีเดียวเถิดพิกษุทั้งหลายได้สดับต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว พิสูจเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูุนทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดทรงประชุมชนยังประชุมชนให้รู้จักมรรคที่ใครๆไม่รู้จักบอกทางที่ยังไม่มีใครบอกเป็นผู้รู้จักทางประกาศทางให้ปรากฏและฉลาดในทางว่างั้น ดูการพิสูจทั้งหลายก็สาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ที่ดําเนินไปตามทางเป็นผู้ตามมาในภายหลังอันนี้แลเป็นข้อแปลกกันอันนี้เป็นข้อประสงค์ยิ่งกว่ากันอันนี้เป็นเหตุทําให้ต่างกันระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับภิสูจผู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาคือที่ต่างกันว่าพระพุทธเจ้ากับสาวกต่างกันตรงไห น, นคือ พระพุทธเจ้าต่างจากสาวกตรงที่พระองค์นี้ปฏิบัติตามทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะพระองค์นี้ไข่ครวญวิธีปฏิบัติหรือที่เราเรียกว่ามรรคหรือทางนี้ให้เกิดขึ้นด้วยพระองค์เองส่วนสาวกทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติตามเนี่ยนะแต่ว่าถึงจุดหรือเป้าหมายนี้เหมือนกันเนี่นยนะเขบอกว่าความหลุดพ้นจากกิเลสของพระพุทธเจ้ากับสาวกไม่มีความแตกต่างกันเลยนะ โดยมรรคผลเนี่ยในการดับกิเลสนี่ไม่มีความต่างกันอะไรเลยนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นศาสดาสาวกทั้งหลายในฐานะเป็นก็สาวกกันเนาะในอัตถกถาอธิบายว่าบทว่าอนุปันนัสะความว่าจริงอยู่พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสะทรงให้มรรคนี้เกิดขึ้น นะคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะถัดจากนั้นศาสดาอื่นไม่อาจาให้เกิดขึ้นได้คือระหว่างนั้นมาไม่มีใครรู้จกักมรที่จะทําให้บรรลุมรผลนิพพานอันนี้เว้นพระประเจกนะที่สอนผู้อื่นไม่ได้ก็ถือว่าเว้นออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเชื่อว่าทรงท ร, รมรที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยประการชนนี้เนี่ยนะก็ระหว่างจากศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อน หมดเลยไม่มีเหลือเลยพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้เนี่ยนะพอมาตรัสรู้ก็มาบอกมาแนะนำในนักโรปรมัสสูตรหรือว่าพระสูตรที่อุปมาด้วยนครเนี่ยพระองค์บอกว่าทางเก่าเกิดในที่ที่ไม่มีร่องรอยในที่นี้ชื่อว่ามรที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะอาธาว่ายังไม่เป็นไปเนี่ยนะ มันเหมือนกับว่ามันหายสาบศูนย์ไปหมดเลยนะวิธีที่จะพิจารณาขันอายตนะธาตุวิธีที่จะพิจารณ า, า, าทาณาุกสมุทัยนีโรดมักถ้าพระองค์ไม่ไม่ตรัสรู้นี่หมดเสร็จเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ชื่อว่าทําทางที่ยังไม่เกิดนี่ให้เกิดขึ้นเชื่อว่ามักคันยูเนี่ยเพราะตรัสรู้มักน่ะกรถาสับว่จิตเนี่ยเอาออกให้หมดเลยตรงนั้นเนี่ยไม่ไม่ควรใส่มา ชื่อว่ามัคควิทูเนี่ยนะเพราะทำมัคให้แจ่มแจ้งคือให้ปรากฏชื่อว่ามัคามัคควิโกธะแปลว่าฉลาดในมัคและธรรมชาติที่ไม่ใช่มัคอย่างมัคมีองค์ดเนี่ยพระพุทธเจ้าฉลาดใช่ไหมแล้วสิ่งที่ไม่ใช่มัคคือมิชตะแปดนี้พระองค์ก็ฉลาดมั้นฉลาดทั้งมัคและก็ฉลาดในสิ่งที่ไม่ใช่มัคส่วนสาวกทั้งหลายก็เป็นพวกปัจฉาสมนาคตา บอกว่าเราถึงก่อนแล้วสาวกจึงถึงในภายหลังคือปฏิบัติตามเห็นไนะถ้าย้อนมาถึงพวกเราทั้งหลายแล้วก็ขนาดพระองค์บอกวิธีให้ทำตามเราก็ทำตามไม่ค่อยได้เหงือนนแต่ก็กำลังเดินตามอยู่เขาบอกว่าในวันนี้ไปดูในเรื่องกลับมา ใช้คําว่ากับถ้ามีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเขาเรียกว่าสารกับแปลว่ากับที่มีสาระนะก็เลยแบ่งพระพุทธเจ้ามาพ ร, พระพุทธระพุทธเจ้าสององค์บางกับมีพระพุทธเจ้าสมองค์บางกับมีพระพุทธเจ้าสี่องค์บางกับมีพระพุทธเจ้าห้าองค์นั่นนะถ้ากับตั้งแต่มีสามองค์ขึ้นมาท่านจะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งนะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพวกที่ปฏิบัติตามบรรลุก็ถือว่าดีไปใช่ไหม ก็มีพวกที่ปฏิบัติไม่บรรลุในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นั้นนะก็ตั้งความปรารถนาขอให้บรรลุกับองค์หน้าเขาก็ตั้งตั้งความปรารถนากันอีกเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าอีกองค์ต่อไปเนี่ยนะมาตรัสรุปกลุ่มนี้ก็จะบรรลุมีพวกที่ตั้งความปรารถนาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาถึงพระพุทธเจ้าองค์หลังก็จะบรรลุอีกนะเพราะฉะนั้นอย่างในยุคนี้ถ้อยคําที่คนในยุคนี้ปรารถนากันมากคืออะไร ปรารถนาจะไปบรรลุอันนี้นะที่ศาสนาพระพุทธเจ้าองค์หน้าใช่ไหมตั้งไว้เลยครับถ้าถึงพระพุทธเจ้าองค์หน้านะเราจะต้องรู้ว่านี้รูปนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปนี้อัศาทารูปนี้อาทีนวะรูปนี้นิสรณะรูปเนี่ยตั้งไว้แบบนี้เลยใช่ไหมที่ว่าตั้งความปรารถนาบรรลุนะ เนี่ยถ้าถ้าตั้งความปรารถนาแบบนี้เรียกว่าตั้งความปรารถนาตรงประเด็นเลยตรงตัวเลยว่าถ้าเขาบรรลุเขาบรรลุแบบนี้ถ้าจะตั้งความปรารถนาให้ตั้งความปรารถนาแบบนี้นะนก็ความค <c oughs> นนุ้นเคยนะก็เหมือนกับคำว่าส ก, กายะใช่ไหม นิยมเพิ่มศัพท์ว่าทิฐิเข้ามาด้วยทุกครั้งเลยนะเช่นนิสกายะนะอย่างเดี๋ยวยกตัวอย่างาในคมภียมกะคมภียมกะเลยนะเพราะเออท่านก็บอกว่าสกายะนะคนแปลก็บอกว่าทิฐิเข้าไปด้วยอีกคำหนึ่งแล้วก็มีหลายแห่งมากนะไม่รู้เพิ่มมาทําอะไรนะแต่ทีนี้ว่าก็น่าเห็นใจท่านว่าเพราะคนที่แปลเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ไ ท่านไม่ได้ค้นมากนะท่านเน้นเรียนภาษาเพื่อที่จะให้มันจบหลักวิชาเนี่ยนะแต่ไปคน้นคว้าอัตตะอะไรยังไงท่านบางท่านก็เรียนเยอะอ่นะเช่นอาจารย์สมพรอะไรเงี้ยก็อาจจะเรียนเยอะแต่บางท่านนี่ก็บางกลุ่มก็ประกอบอาชีพอื่นๆด้วยแม้แต่พระภิกษุเองเนี่ยนะเราจะไปบอกว่าโอ้โหท่านน่าจะมีเวลาเยอะไม่ใช่หรอกโยมบางทีนะเวลาน้อยกว่าโยอมเลยซ้าไปถามว่าทำไมพระจริงๆแล้วมีเวลาน้อยเพราะว่าตื่นเช้ามาก็ต้องรับแขก นี่มนฉันบางทีนิมนไปฉันที่อื่นนะกลับถึงกุฏิก็บ่ายสามบ่ายสี่ก็เพลียเต็มทีแล้วนี่นะนะแล้วก็ขำขำ ม, มาก็โอวาทพระเนนอีกเอาเวลาที่ไหนไปคนไปควา้าเลยนะนะก็หมดไปอีกวันหนึ่งไหมจะโทรศัพท์กริงก้างติดตอ่อโน่นโอ้วุ่นวายเหมือนกันนั่นะวนะุ่นวายเนอขัดข้องเนอาฝาหมดนะขนาดนี้ติดตามเรื่องเครื่องบทกเทหมดไปครึ่งวันนั้น ป, ททประหกกิตใจนะกลัวจริงเลยวัตถุกรรมเนี่ยไม่อยากจะนั่นกันก็ทำไม่ได้วัตถุกรรมเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องเนิ่นช้านะเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเนิ่นช้ามากถ้าคือถ้าเราคิดว่าการเจริญกุศลประเภทการเจริญสมถะวิปัสนาการพิจารณาคำสอนเนี่ยเป็นสาระนะ จะเห็นว่าสิ่งอื่นๆนี่จะเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้าเนี่ยนะแต่ถ้าไม่เนิ่นช้าก็ไม่ได้เพาะเราอะไรในสิ่งนั้นาอาหในสนสไลดนวิงในนิดเดียวหมดเวลานน้ีขงข้าขน้ยดับนไสดอีกสูตรนะสูตรที่เราคุ้นเคยกันมากอันนี้คุณมุญมีไม่มาไม่คนเตือนเวลา สูตรนี้ที่เราคุ้นเคยกันมากชื่อว่าอนัตตลักษณะสูตรหรือตรงนี้ใช้คำว่าปัญจวัคคียสูตรแต่ว่าที่อื่นๆจะนิยมใช้ว่าอนัตตลักษณะสูตรถา ม, มว่าทำไมก็าบอกว่าแต่งาการเรียกชื่อสูตรนะบางทีเนี่ยเอาตัวหลักธรรมมาเป็นมาเป็นตัวตั้งชื่อสูตรเช่นว่าถ้าใช้ว่าอนัตตลักษณะสูตรคือเพราะสูตรนี้ประกาศความเป็นอนัตตาของธรรมะ ส่วนตรงนี้ใช้คําว่าปัญจวัคคีสูตรเพราะว่ากล่าวถึงว่าเป็นสูตรที่สอนปัญจวัคคีทั้งห้าเนี่ยนะเพราะว่าพระปัญจวัคคีทั้งห้าคนเนี่ยบรรลุพระสูตรนี้นะของเรานี้เมื่อวันวิสาขะที่แล้วเราก็ฟังสูตรนี้กันไปแล้วนะใช่ไหมฟังไมาจา่จําดิลืมไปเลยนะมวันนั้นดีจังเลยนะึลืมหมดละ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะป่าอิสิปตนามฤุกทายวันกรุงพาราณสีเห็นไหมนี่ใครจะไปพาราณสีก็สูตรนี้ก็พยายามนึกๆเอาไว้นะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุเบญจวักคีแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่อัตตาหากว่ารูปนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อ, อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนอันนี้พระองค์แสดงความเป็นอนัตตาด้วยทุกขลักษณะอาภานี่ประกาศทุกขลักษณะนะเนื่องจากอะไรทำไมการแสดงเรื่องอนัตตานะพระพุทธเจ้าบางทีก็ยกอนิจจังมาแสดงนะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละมันเป็นอนัตตาอย่างในฉะฉักระสูตรนะแต่ถ้าสูตรนี้เอาทุก มาแสดงนะประกาศว่ารูปนี้มันอาพาธนะอาพาธก็อาพาธด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอนะเพราะฉะนั้นเมื่อรูปมันเป็นสิ่งที่อาพาธเป็นใครๆก็ไม่ได้ตามความปรารถนาในในรูปเลยก็เพราะเหตุที่รูปไม่ใช่อัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิอดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย เพราะมันเป็นอนัตตานะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดซากอย่างเลยนะรูปอะนี่นะไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการเอาละรูปมันเป็นยังไงอะมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะนะมันก็เป็นไปตามปัจจัยของมันอ่ะเช่นกรรมเป็นปัจจัยมันก็ไปตามกรรมอ่ะหรือว่าจิตอุตตุหรืออาหารเป็นปัจจัยนะรูปมันก็เป็นไปตามปัจจัยของของรูปนั้นๆนั่นแหละมันไม่ได้เป็นอย่างที่อยากอยากต้องการให้เป็นเนี่ยนะ หรือที่ใช้คาว่าบังคับบัญชาไม่ได้ทีนี้ถ้าใช้คาว่าบังคับบัญชาไม่ได้ผู้ที่ฟังไม่ดีเนี่ยจะเข้าใจผิดอีกที่เราบังคับได้เนี่ยนะมีสมุดฐานเดียวใช่ไหมจิตตะสมุทฐานถ้าสมุดฐานอื่นๆมีพร้อมหน่อยนะที่จะพอบังคับได้บ้างจิตตะสมุทฐานเช่นบอกว่าพูดอาพูดละหยุดนิ่งยกมือยกได้อันนี้คือส่วนที่เป็นจิตตชรูป แต่ถ้าหากว่าอาหารฉลุบอุตุชรูปกรรมไม่ฉลุบเสียหายนะไอ้คนแขนกุดยกมือขึ้นก็ทําไม่ได้อยู่แล้วนะให้คนขาง่อยบอกวิ่งเป็นไปไม่ได้มันเพราะฉะน ถ, ถ้าถ้าได้ส ม, มุดฐานอื่นๆได้ปัจจัยพร้อมแล้วอ่นะกิจกรรมนั้นๆจึงเกิดขึ้นเพราะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอนัตตาดูก่อนิสูจนทั้งหลาย เครื่องบินก็นึกบินไงว่าบินผ่านตัวเมืองเลยนะบางทีมันบินอย่างนี้นะมันบินแบบต้านลมแล้วมันอ้อมกลับมันจะมีแบบวิธีนะ ทีนี้ถ้ารูปไม่ใช่อัตตาแล้วนะแล้วเวทนาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่อาศัยรูปใช่ไหมเวทนานั้นเป็นธรรมะที่อาศัยรูปโดยโดยวัตถุและโดยอารมณ์พร้อมทั้งอุปนิสัยเนี่ยนะนะเพราะว่าถือว่าเป็นผลพวงของรูปแล้วนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเวทนาไม่ใช่อัตตาถ้าหากว่าเวทนานี้จักเป็นอัตตาแล้วไซก็คงจักไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจกได้ตามความปรารถนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อ, อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่เวทนาไม่ใช่อัตตาฉะนั้นเวทนานี้จึงเป็นไปเพื่ออ า, าพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาจงเป็นอย่างนี้เถิด อ, อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเคยขอไม่ตอนเครียดๆขอให้สบายใจเถอะนะเจ้าอย่าไปเดือดร้อนนักเลยให้มีความสุขเถอะให้ยิ้มตลอดนะบอกได้ไหม ให้มสมมานัตตลอดเลยนะก็ไม่ได้อีกนั่นแหะตอนที่มีความสุขเต็มที่เลยนะให้เจ้าทุกหน่อยนะก็ไม่ได้อีกนั่นแหะมันก็โสมมนัตเพราะฉะนั้นเวทนานี้ตัวที่กําหนดให้มันเกิดสุขทุกโสมมนัตโทมานัตนี่อะไรเป็นกําหนดตัวกําหนดให้ผัสสะเห็นไหมผัสสะใช่ไหมเป็นตัวเป็นตัวทำให้นะถ้าได้อิทถารลโสมมนัตก็เป็นเวทนาถ้าอ น, นิถารลโสมมานัตก็ โ ท, โทมนัสใช่ไหมถ้าอารมณ์ที่ไม่ดีถ้าเป็นมัชตารลมก็อุเบกขาดงนั้นผู้การไปรับอนิถารลมมาเลยนะก็เลยนั่งอุเบกขาทีจริงก็โทมนัสสลับบ้างครั้งคราวนี่แหละ ท, ท, ที่ว่าเวทานาเนี่ยเป็นตัวกำหนดอารมณ์ถ้าอารมณ์ไม่โดนกหนดเวทนาทีนี้ถ้าว่าอารมณ์นั้นถูกทำปริญญาเสร็จแล้วเช่นพระยา้า แต่ว่าอารมณ์นั้นเีก็ไม่ไม่ไม่เป็นผลในกางอานาตเป็นที่ตั้งแห่งโสมานัตแต่ท่านไม่โทมานัตแต่เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเนี่ยนะแต่ว่าโทมานัตไม่มีเนี่ยนะแต่ว่าพระอรหันต์ก็โสมานัตนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเทศนะแล้วคนฟังมันลุกนะฟง์ก็ยิ้มนะอัญญาสิวัตโพลทันโยดีใจเมื้ยกันไม่ใช่ไม่ดีใจแต่ว่าถ้าฟังแล้วเขาด่าตอบนะฟงไม่ดิไม่เสียใจเนี่ยนะ คือคือถ้าได้ปัจจัยพร้อมพระองค์ก็โสมนัสแต่โสมนัสอันนั้นไม่โสมนัสด้วยอมิตรเนี่ยนะไม่ใช่โสมนัสด้วยอมิตรนั่นแะแต่ทีนี้ว่านะอิทธารมเนี่ยนะถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสแม้ที่สุดพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นนั่นแะแต่ว่าโสมนัสของท่านเป็นโสมนัสที่เกิดจากกิริยาจิตเนี่ยนะไม่ใช่เกิดจากโลภมูลจิต ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัญญาไม่ใช่อัตตาถ้าหากว่าสัญญานี้จะเป็นอัตตาแล้วไซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ก็เพราะเหตุที่สัญญาไม่ใช่อัตตาฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนีนะอานะขอกามสัญญาอย่าได้เกิดเลยให้เกิดแต่เน่คัมมาสัญญาเถอดเนี่ยนะได้ไหมขอได้ไหมอย่างขอพยาบาทสัญญาอย่าได้เกิดเลยให้อัพยาปาทาเนี่ยสัญญาเนี่ยเกิดมากๆเถอะก็ไม่ได้ ขอวิหิงสาสัญญาอย่าได้เกิดเลยให้วิหิงสาอาวิหิงสาสัญญาเนี่ยเกิดเยอะๆขอได้ไหมอย่างงี้นะขอให้กุศลสัญญาเกิดอกุศลสัญญาอย่าเกิดเนี่ยขอไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสัญญานี่เขาเนื่องจากปัจจัยของเขาตั้งดังมากะนะโดยเฉพาะภาษะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อสัญญาแต่หลายๆแห่งเนี่ยถือว่าเกิดจดากธาตุนะสัญญานี่เนื่องด้วยธาตุ คำว่าธาตุเช่นจักรูาธาตุรู ป, ปราธาตุภาษาก็เป็นธรรมาธาตุเนี่ยนะาธาตุเหล่านั้น่ะเป็นปัจจัยสำคัญของสัญญาอย่างยกตัวอย่างถ้าเราจะคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งนะโดยมากเราจะคิดถึงสิ่งที่เราเคยเห็นใช่ไหมโดยทั่วๆเคยเห็นเคยได้ยินเคยรับรู้นะแล้วเอาไปเทียบกับสิ่งที่จะเห็นต่อไปนะ ก, ก็อาศัยสิ่งที่เห็นถ้าสิ่งนั้นเป็นอนาคตก็เอาสิ่งที่เคยนี่แหละไป ไปเปรียบเทียบในสิ่งที่จักเห็นจักได้ยินเป็นต้นต่อไปจกักขูที่เห็นเนี่ยเป็นจักขู่ที่เป็นที่ตั้งแห่งการเห็นเป็นจักขู่ธาตุใช่ไหมรูปที่เห็นเป็นรูปประธาต์จิตเห็นเป็นจกักขูวิญญาณธาตุเจตสิกที่ประกอบเป็นธรรมธาตุเพราะฉะนั้นเวลาเรานึกถึงสัญญาทั้งหลายก็อาศัยธาตุเหล่า น, น, นั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ย น, นะที่มันคิดหรือ ความสําคัญทั้งหลายแหละที่จําหมายแตกต่างกันก็เนื่องจากธาตุที่ไปรับประสบรับประสบพบปะเจอะเจอนี่ยนะแตกต่างกันคื อ, อปัจจัยบางอย่างของสัญญาณยังไม่ได้กล่าวเลยไหนนีนคือที่เรากล่าวว่าสัญญาที่ไม่ดีจงระวังสัญญาที่ไม่ดีนี่นะครับอ่ามันเกิดขึ้นเนี่ยที่เราที่เราพูดถึงสูตร น, นี้เลยนะมันก็เกิดจากเกดจากเกิดจากปัญหาเกิดจาก อวิชาเกิดจากอวิชาแล้วแล้วก็ข้าตัวนี้อภิษารุ่งก็รวมหมดทั้งพานลงทั้งพรวันใช่ไทั้งทั้งพระวันด้วยรด้วยทเรนเจนาตัวสำคัญมากๆคือว่าตัวปฏิสายท่มนยิดตัวคนก่อนเนี่ยก็ทาไมถึงไม่กลาบางตัวแล้วก็สาคัญที่สุดเพราคนไม่เคยเป็นคนที่มีปฏิสายกันมาก่อนเลยมันสัญญาไม่เป็นจริงดโดยมากจะเห็นชัดกว่า